สักสามสปีก่อนที่คณะสอนศาสตร์จุรามีอาจารย์ญี่ปุ่นนะท่านหนึ่งอาจารย์โยนิโออิชิอิอาารสอนวิชาประวัติศาสตร์ประวติศารนี่ไม่ใช่ประวศาญี่ปุ่นนะประวัติศาสตร์ไทยโดยมาประวัติศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียคันเท่ารสอนประวัติศาสตร์นะโดยการพูดภาษาไทยว่าผูดได้คล่อง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 ให้เต็มแก้วด้วยกระชอนนะเรานึกภาพออกมากระชอนี่เขาใช้ตักลุน้ำนะที่มันเป็นผ้าบางๆเนี่ยเวลาจะใช้กระชอนเนี่ยตักน้ำนี่น้ำมันก็จะรั่วมหมดนะจะเหลือน้ำที่ค้างอยู่ในกระชอนเขาแค่หยดสองหยดล้วกว่าจะเติมน้ำให้เต็มแก้วเนี่ยนะมันจะใช้เวลานา น, นเท่าไหรเขาบอกว่าเนี่ยภาษาต่างประเทศเนี่ย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 เช่นเปิดพรนะเจ้านุกรลม บ, บ่อยๆหรือว่านึกถึงคำนั้น บ, บ่อยๆมันก็ทำเดียวกัทำนองเดียวกับสูตรคูหรืออาขยานเนี่ยเราต้องนึก บ, บ่อยๆนึก บ, บ่อยๆท่อง บ, บ่อยๆท่องในใจ บ, บ่อยๆแม่อันนี้รวมถึงบทสวดมนต์ด้วยนะเราจะสวดมนต์ท่องขึ้นใจได้แล้วก็ต้องอทบทวนซ้ำๆนึกซ้ำๆกัน บ, บ่อยๆถึงจะระลึกได้ไว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 อันนั้นยังไม่สําคัญนะอย่าไปกังวลกับมันเพราะเป็นธรรมดาสิ่งสําคัญอยู่ที่ว่าระลึกรู้ให้ไหวพาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันหลวงพ่ออมเขียนบอกว่าเนี่ยนักปฏิบัติเนี่ยจะเก่งหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าอเระลึกรู้ได้ไหวหรือพาใจกลับมาได้ไหวหรือเปล่านะความเก่งมันไม่ได้อยู่ที่ว่านั่งนานแค่ไหน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 ในอารมณ์นั้นหรือว่าให้เสรความเศร้าให้หนักขึ้นนะปกป้องความเศร้านะให้หนักแน่นเวลาโกรธก็เหมือนกันนะเวลาโกรธเนี่ยเราจะฮวงแหนความโกรธมากเลยใครจะมาแนะนําว่าให้อภัยก็ไปเถิดนะปล่อยวางไปเถิดนะเราจะไม่ไม่ยอม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 คนคนนั้นเนี่ยอกตันยูเนรคุณแม่ช่วยเขาเต็มที่แต่เขาก็เนรคุณนะทอริโอหักหลังเวลานึกถึงคนนี้เนี่ยก็จะโกรธมากและยิ่งแก่ตัวก็ยิ่งยิ่งพูดถึงคนนี้บ่อยๆูดลรกพูดอีกนะคนที่เป็นลูกเนี่ย ก, กลัวว่าแม่เนี่ย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 พอพูดอย่างนี้ทีไยพอลูกสาวพูดอย่างนี้ทีไรแม่ก็จะโกรธลูกสาวนะแล้วก็ด่าว่าลูกสาวไม่พอใจลูกสาวเสมอบราวกับว่าพูดลูกสาวเนี่ยกำลังจะมาแย่งเอาของรักของห่วงของมีค่าไปจากแม่ไอความโกรธนี่มันมันน่าห่วงแหนที่ไหนนะเออถ้าจะมา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 อันนี้เป็นคำสอนที่ง่ายๆนะเข้าใจง่ายนะแล้วก็ทำได้ง่ายด้วยก็คือว่าเราก็ทำกับอีเลียบทนะซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันทำอยู่แล้วตั้งแต่ตื่นนอนนะอันที่พูดมาเราก็ทำหมดใครเดียวกันแล้วก็ทำเสริมหรือสร้างอีเลียบทเพิ่มนะเช่นการเดินจงกรมการสร้างจังหวะทำความรู้สึกตัว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 สร้างจังหวะเดินยองกลมแต่ถ้าเรารู้สึกตัวท่วพร้อมจนคุณเนี่ยแม้เวลาเราก็พิบตาแม้เวลาเราคืนน้อนลายเราก็รู้ก็เหมันทำความรู้สึกตัวนะเวลาเราจะลุกขึ้นก็ให้ตั้งสติสักหน่อยก่อนที่จะลุกไม่ใช่คุนผ่านลุกตามความเคยชิน